แนะนำบทอัสยาดาบทอัสยาดาเป็นบทมักกิยะมีสามสิบองค์การมีสภาพคล้ายคลึงกับบทมัคคิยะอื่นๆที่ได้กล่าวถึงหลักการอักีด้าของอิสลาคือการสภาต่อเลาะต่อวันปรโลกต่อบรรดาธรรมพีต่อบรรด า, ร อ, ดารอซูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนจุดมุ่งหมายหลักของบทมักกิยะในการดาเนินเรื่อง ก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่พวกบูชาจเวตได้โต้เถียงกันมากและถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านประสุตุลสสลล์วะเลวะสลับบทนี้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกบูชาจเวตมีต่ออัลกุรอานจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่าท่านเป็นคนปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเองทั้งทั้ที่องค์การทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้ง ในความหมายและหลักฐานดังนั้นบทนี้จึงได้ตอบโต้พ่อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอ่านชัดแจ้งบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชาลูกภาพและเอกภาพโดยการชี้แจงถึงเดชาลุกภาพของอัลละฮ์ในหมู่จักรวาลทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผน่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้างผู้ทรงเอกภาพ จากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกบูชาจเวดในการที่พวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันพรโลกอัลกุรอานได้กล่าวตอบข้อสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งรงกระทั่งพวกเขายอมรับในความประชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐานบท น, นี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวนและสิ่งที่อัลทรงจัดเตรียม ในวันนั้นไว้สาหรับบรรดาผู้ศรัทธาผู้ย่งเพลิคือความสุขสำราญอันทาวรในสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สาหรับบรรดาผู้ปฏิเสธคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกยานหนักบทนี้ถูกเรียกชื่อว่าบทอเซยดาเพราะพระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของผู้ศรัทธาผู้กระทาดี ซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินบรรดาองค์การของอัลุกราตพวกเขาจะก้มลงกราบและสวดสดีสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิงพยองสุนนะให้อ่านบทนี้ในละหมาดซุบฮีคือในเช้าวันศุกร์ท่านอบีมูฮัมมัสสดสุลลัลเวรสลังเคยอ่านในละหมาดฟักของวันศุกร์สองบทคืออะลีฟลามมีน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 เป็นประจำในเช้าวันศุกร์เพื่อป้องกันข้อกังขาของผู้ที่ไม่รู้เชคคุลอิสลามจิบนูไตมิยะได้กล่าวไว้ว่าความจริงการที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมได้อ่านบทนี้ในเช้าวันศุกร์เพราะเพราะทั้งสองบทนั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้นสองบทนั้นได้กล่าวถึงการสร้างอาดัม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 นี่คือลักษณะเฉพาะของวันศุกร์ด้วยพระนามของลอร์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัอลิฟลามมีม การประทานลงมาของคำพีนี้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆนั้นจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอมนริิดี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 الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه م ن و ل ي ولا شفيع أ فلا تتبسكون. الله هو بوسونغ صنع بندى شان فا ل แผ่นดิ และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันและพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนบัลลังก์สำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระอและพวกเจ้าไม่ได้ไข่ครควรบ้างดอกหรืออยูดบเบิลอ็มระมินันสวรร์อีเลอัลอาซิทุ่มมะยารุจุนัยทุ่มมะยารุจอิเลย์ฟียูมีนแคนัมิขดะอู มมดดพระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่พันดินแล้วมันก็จะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเจ้านัาาาบนั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผย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 แล้วส่งให้สืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันต่ำต้อยแล้วส่งทำให้พวกเขามีสัตว์ส่วนที่สมบูรณ์และส่งเผ่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาและส่งให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็น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 แต่พวกเขาปฏิเสธต่ต อ, อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขาุคกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ามะลักผู้ปลิดชีวิตผู้ที่เดชรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกเจ้าจะปลิดชีวิตของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะถูกนํากลับไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำความผิดทั้งหลายต้มศรีรษะของพวกเขาลงณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาพางกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา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 และถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทําให้ทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแต่ว่าคําสัญญาของข้าจะต้องสมจริแน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยินและมนุษย์ทั้งหวดฮัดูกูบิมานสีธุมลิกายาวมิกุมหาดาอินลานสีนาคุมวัดูกูอาดาบลคุณธบิมาคุณคุมจะมำรูน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 และการสรุปีสรรเสริญแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่ยิ่งพยองสี่ข้างของพวกเขาจะเคลื่อนห่างจากที่นอน พลางวิงวอลต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังและพวกเขาจะบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องอยังชีพแก่พวกเขา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 อมมลดีาาส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์อัหลากหลายเป็นที่สำนักโดยได้จัดเตรียมไว้ตามผลงานที่พวกเขาได้กระทำไว้ َأَمَّا فَمَأْوَاهُمُ مَا مِنْهَا الَّذِينَ فَشَقُّوا النَّارُ اللَّذِي يَخْرُجُوا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ أَرَادُوا لَهُمْ عَدَابَ بِهِ تُكَدِّبُونَ كُنْتُمْ และส่วนบรรดาผู้ที่ทำชั่วนั้นที่พมนักของพวกเขาคือฝ่ายนารก คราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมันพวกเขาจะถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในนั้นอีกและจะมีเสียงกล่าวแต่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกซึ่งพวกเจ้าเคยปฏิเสธต่อไปเถิดและแน่นอนเราได้ให้พวกเขาลิมรสการลงโทษอันใกล้ ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในฝรโลกเพื่อว่าพวกเขาจะกลับตัวสมรึกษณ์แล้วพูดไทยเล่าจะอาธรรมดิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้ระบึกถึงองค์การทั้งหลายของพระพวกอภิบาลของเขา แล้วเขาก็ผินหลังให้งงการเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรผู้กระทำผิดทั้งหลายและโดยแน่นอนเราได้ประทานคำภี้นให้แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัด อย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทําให้มันคัมภีรเต่ารอดเป็นทางนําที่ถูกต้องแก่วงวานอิสราอยวะจอัลนามินหุมอัยมะตัยยะดูนบิอมรินาลัมมาสอดะรูวะกะนูบิอายาตินายูกีนู เราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อที่จะได้ชี้แนะทางนําที่ถูกต้องตามคําสั่งของเราในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราอินน์รับบะกะฮฺวยัฟซิลุบเเยมห์ม์เยฺมัลกิยามต์ทีมาเเคโฟีหัฟตอร์ฟุนแทกิพระผู้อภิบาลของเจ้าพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะ ในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายศตวรรษ โดยที่พวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกาได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอันมากมายและพวกเขายังไม่เชื่อฟังอีกหรือ <of these> <ubs>